วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่คนส่วนมากก็จะมีเวลาว่างกันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันหยุดเป็นวันหยุดที่เราเลือกได้ว่าเราจะใช้เวลาวันหยุดของเราเนี่ยไปในทางไหนไปในแ่บไหนส่วนวันอทิตวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้เลือกที่จะมา ทำธรรมที่ที่วัดวันนี้ก็เปลี่ยนไปจากปกตินิดหน่อยตรงที่ว่าปกติเรามีเทศที่บวชวันนี้เราก็ย้ายมาอยู่ที่สละกา ร, รเรียนแต่ก็อาจจะไม่คุน้นกับปกตกิที่บวชแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมโชั่นพิเศษที่ว่า ฟังธรรแบบเย็นเย็นวันนี้เราติดแอร์ด้วยแก็ติดที่โบนแล้วล ก, ลก็ไม่มีแอร์วันนี้สร า, กการาคาเรียเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่ฟังธรรมแล้วก็เย็นเย็นยิ่งไปเย็นๆข้นนอกแร้วเย็ น, นขึน้นงในด้วยลหลูกปล่านวันนี้ก็แล้วแต่คนปฏิบัติธรรมทีนี้การที่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่างน้อยมันก็มีอยู่สองส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เราจะต้องศึกษาเราเรียนก็คือศึกษาจากการฟังศึกษาจากการดูอ่านตำราตำราสง่งสั่งสนทานานกับท่านผู้รู้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง หรือฟังแล้วเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยฟังซ้ามันก็จะทำให้มีแง่ในเนื่อที่เข้าใจได้เบื่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาฟังมาอ่านอันนี้เ็าเรียกว่าเป็นปริยัาเป็นปริยรัแต่การที่เราจะทำให้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิประสิทธิผลกับตัวเราก็ต้องน้อมนําสิ่งที่เราได้ดูสิ่งที่เราได้ฟังนํามากระเพื่นปฏิบัติให้มันเกิดผลกระเพื่อนปฏิบัติแล้วเนี่ยสำคัญก็คือต้องทําให้มันเห็นผลด้วยเห็นผลที่ไหนเห็นผลก็คือไม่ได้เป็นความเข้าใจ ในทางที่เข้าใจแล้วตัด ก, กัดตัดกาดคืออะไรตัดกาดคือสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ถูกตามที่เราคิดอันนี้คือเข้าใจแค่ว่าในระดับปกติแต่ความเข้าใจทางพระพุทธศาสนาพอใช้คำว่าเข้าใจแล้ว มันก็ตรงตัวตรงที่ว่ามันเข้าลงไปในใจเข้าลงไปใน ใ, นใจในนั้นเรื่องดีเรื่องไม่ดีจากการที่เรารู้เราฟังคนนั้นบอกคนนี้บอกโดยปกติทั่วไปเราก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเนี่ยแต่มันก็จะมีเรื่องปิดทังในตอนที่จะต้องเลือก ว่าเราจะทําเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีแล้วอะไรมันบิดรั้งทำให้เราทําเรื่องไม่ดีได้เช่นโกหกเป็นต้นซึ่งถ้าเราทําปฏิบัติดีแล้วเราเห็นและเราเข้าใจเรื่องในใจหรือาว่าอะไรเป็นเรื่องดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีจริงๆที่ใจเรื่องไม่ดีเราก็ไม่ทํา มันจะต่างกันนะมันอันหนึ่งเป็นความเ ข, เข้าใจทางความคิดอีกอันหนึ่งเป็นความเข้าใจทางความรู้สึกที่ใจของเรายกตัวอย่างขคนที่เคยจมน้ำเป็นต้นอคนจมน้ำเนี่ยมันก็รู้วน้ำเนี่ยนอกจากมันมีประโยชน์แล้วเนี่ยถ้าเราสมสิีธิ์สมภาพว่ายน้ำไม่เป็นโยนเท้าเล่นๆไปเนเราก็ไม่รอดเหอนกัน เพราะฉะนั้นคนที่เคยจบน้ำไปแล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าน้ำมีอันตรายใช้อย่างระมัดระวงังตรงไหนที่ใช้แล้วมันจะทำให้เกิดมีความผิดพลาดทำให้ตกลงไปถึงจะจบน้ำอีกครั้งหนึ่งเขาก็ระมัดระวังไม่ทำเลี่ยงเพราะอะไรเป็นความรู้สึกที่ใจของเขาว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคอยเฝ้าระวัง เป็นสิ่งที่มันจะมีภยัยมนทุกขเกิดขึ้นกับคนที่เข้าใจทางด้านการบอกสอนกางตังกกะการไว้น้ำใหนะ้เป็นจมไปในน้ามันก็จมน้าแต่ความรู้สึกที่มันไปนปรากฏขึ้นอยู่ในใจคนละแบบกันคนหนึ่งเข้าใจทางผิวผิวงความคิดแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะก็ดีเป็นการป้องกันได้ดีอะไรแน แต่สิ่งที่อยากจะชี้ให้คือเวลาที่มันเข้าใจซึ้งไปในใจแล้วยมันไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะมันเห็นโทษที่ใจซึ่งเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ใจเป็นผู้นำไปแต่างยกตัวอย่างเราอยากจะไปดูหนังฟังเพลงวันนี้หนัวันนี้วันว่ า, วาไปดูหนังสักเรื่อึ่งใจเรามันก็พาเราไป ความอยากในใจความอยากดูหนังมันก็พาเราไปดูหนังเราก็สําเร็จการดูนหนังได้จากการที่ใจเราเนี่ยมันนําไปพาไปสั่งให้แขนให้ขามันนํเราไปไปงนันเรื่องของใจจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องประธานพระพุทธเจ้าจึงจักว่า มนโนรุพังขมทางมามโนเสถ่า ม, ามนโ น, มนโไม่อยากทำทั้งหลายมีใจเป็นหน้ามีใจเป็นนายสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะใจเนี่ยถ้าใจมันไม่อยากทำมันก็ไม่ทำถึงทำถึงจะต้องฝืนทำแต่มันก็ทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใจมันไปก่อน มีความกระตือรือร้นที่จิตใจที่จะทำมันก็จะทำได้ดีอย่างปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็โดนบอกสอนกันมาตั้งแต่ครั้งพุตกาลแล้วว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องดีเราก็บอกสอนต่อๆไป ม, มันก็จะมีบุคคลอยู่สองประเภทใหญ่ๆที่ได้รับการบอกแล้วบางคน ก็จะปฏิบัติเข้าใจแต่ไม่ได้ปฏิบัติบางคนก็เข้าใจที่ใจแล้วก็ปฏิบัติไปนด้วยซึ่งมันก็เหมือนเหมือนกับสังคมเราสมัยนี้เนี่ที่ว่าอะไรอะไรก็บอกให้ําแต่ความดีทาแต่ความดีอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทาแต่พอไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําอย่างที่ที่เขาว่ากนันเช่นเรา ได้รับการบอกสอนว่าการว่าการการนาความฝ่ายนี้วยบอกฝ่ายโน้นให้แตกแยกกันเหลนาเนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแต่พอเรายกตัวอย่างในสังคมสมัยใหม่สังคมในโลกของโทรศัพท์เมือถือมันง่าย มันไม่ได้แสดงตัวตนให้ใครเห็นว่าเราเป็นใครเราน่าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในความที่ใจของเราเนี่ยมันก็ทำตามอย่างทีนี้คน ม, มีอะไรนิดอะไรหน่อยขาดการใจกลองเนี่ยเขาว่ามันผิดเราก็ซ้ำเติมกันในที่จะให้กำลังใจกันแต่ที่เราจะบอกว่าอันนี้ตูกอันนี้ไม่ตูกอันนี้ควรทำไม่ควรทำกลายเป็นแบ สั่งเติมกันสมอหาที่ยืนในสังพมกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บอกว่าอะไรไม่ดีเราก็บอกสอนกันว่ามันไม่ดีเป็นควรทำแล้วก็แนะนำท่านสอนกันว่าควรจะทําอะไรที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเราได้นําไปประพฤติปฏิบัติมันก็จะไปปรากฏที่กายวาจาของเราในต้นต้นว่าเราก็จะเป็นผู้มีกายวาจาที่ สงบเงียมเป็นที่อยู่อยู่ด้วยคนอยู่ด้วยเขาจะรู้สึกว่าออมัน่นคงเป็นผู้ที่มีกายมันนยยม่นคงวาจามั่นคงมันก็ส่องไปถึงความคิดอะไว่าเขาเป็นผู้ที่มีความคิดมด่นคแล้วก็ส่องเราไปถึงจิตใจของเขาด้วยว่าเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจมัน่นค แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสังคมในชีวิตประจาวันของเรามันเป็นการที่เราถ้าเราปฏิบัติทำได้ดีนะมันก็ส่งผลทำให้สังคมเรามันเย็นมีสิ่งห้ามริบูรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นเครื่องรับประกันก็คือเราก็จะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาน้อยลง จากการที่เราไม่เป็นคนไม่เบียดเวีนคนไม่เบียดเวีนสัตว์ทั้งกายทั้งวาจาใจอะไรและมันก็เป็นเครื่องกรัะตีในสังคมด้วยนะว่าถ้าเราอยู่ในหมู่คนที่มีสีแล้วเยเราก็จะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากคนรอบขา้างด้วยเพราะต่างคนต่างมีสีต่างคนก็ต่างไม่ได้เบียดเบียนกันเพราะฉะนั้นสีก็จึงเป็นเครื่องกรัะตีว่า เครื่อดีนว่าสังคมใหนมีสิ่งที่กริบูรณ์แลยวเนี่เราก็จะอยู่ได้อย่างสุบสบายขึ้นไม่ต้องมาคอยกังวลไม่ต้องมาคอยพะวงหน้าพะวงหวังพะวงหลังว่ามีใครจะมาเปลีเปลี่ยนเราจะโดนใคเปียนเปลีแล้วในคํานองกลับกั น, กนเราก็จะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครด้วยเพราะฉะนั้น แ, แค่มีสิ่งที่ต่าคนต่างมุ่งหน้าปฏิบัติให้มันดีมันก็ส่งผลมา ทั้งต่อตนเองและต่อคนอื่นพอต่อตนเองต่อคนอื่นมากๆเข้ามาแ้กลายเป็นต่อสัคงคมโดยรวไปด้ว ย, ยว่าสัคงคมก็จะเป็นสัคงคมที่ร่มเย็นไว้ในเชื่อใจกันได้เราก็จะไม่เห็นเขาเขาก็ไม่เห็นเปลีนเราแต่ถามว่าแค่นี้มันพอหรือยังในคำสอนอยางคำสอนเนี่ยคำสอนที่พระพุทธองค์ประทานเอาไว้ คือธรรมะคำสั่งสอนอันนี้เี่ทั้งกระวางแนวไปให้จนสุดปลายทางก็คือการที่เราจะเป็นผู้ที่มีความทุกข์ที่มันน้อยลงมีความทุกข์ที่น้อยลงมีความสุขที่มั่กขึ้นจนสุดท้ายปลายทางจริงคือคือเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์อีกไม่ว่าจะเป็นปริยาบไหนไหน ไม่ว่าเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนเราก็เป็นผู้ที่ปรัศจากความทุกข์เราทําที่สุดเห็นทุกได้แล้วเราก็เป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์ที่มันกลับกาเริบขึ้นมไาไอีกแต่การที่เราจะไปถึงจุดตรงนั้นได้่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการที่เราจะต้องนั่งทันวัน คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้มันปรากฏผลที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปปรากฏผลที่สมองของเราเพราะการให้เราเข้าใจทางความคิดมีหลักคิดที่ดีมันยังไม่ได้รับประกันว่าเราจะเป็นผู้ที่มีใจไม่หไหว เป็นผู้ที่มีใจมั่นคงเป็นผู้ที่ใจไม่ถูกความทุกข์รุ่ลงได้อีกอยต่ไม่ใช่เป็นเครื่อปนปกตแต่การที่ใจของเรามีศักยภาพที่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงที่ใจยําวที่ใจไม่ใช่ที่สมองเป็นความรู้สึกที่ใจของเรา อันนั้นจริงเนเครื่องการันตีเลยว่าเราจะเป็นผู้ที่ยิงเตือนนันนอนไม่มีความจุยมันค่อนข้างต่างค่อนข้างต่างยู่แต่บางคนอาจจะคิดว่าถ้าเราคิดดีทำดีมีความคิดฉลาดมันก็น่าจะพอตัวรอดไปได้ก็ก็ถูกแต่บางครั้งบางปัญหามันก็ไม่ได้แก้ไขกันด้วยวมันมจิงอย่างเดียว บางครั้งตาปัญหามันก็ไม่ได้ใช้ที่ความคิดมันใช้ที่ความรู้สึกในการแก้ปัญหาทําทไมบอกว่าใช้ความรู้สึกเพราะว่าบางครั้งมันไม่ต้องคิดแต่แค่ใจเรามันไม่เกาะไม่เกี่ยวมันก็ไม่ยึดกับใจเราใจเรามันไม่หนักใจเรามันไม่ทุกข์แต่การที่เราจะมีศักยาภาพถึงระดับนั้นได้แล้วการฝึกฝนกา ร, รอบรมจิตใจจะเป็นเรื่องสําคัญ สร้างสมศักยภาพให้ใจเรีนใจที่มีศักยภาพที่เท่าทายเหตุเกิดทุกข์แล้วก็รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรเป็นเหตุกิดทุกข์อย่างจริงจั ง, จ ง, จ ง, จงพอพูดถึงเรื่องใจพูดถึงเรื่องใจแม้วพูดถเรื่องการฝึกใจแล้ว พระพุเจ้าก็วางแผนการฝึกไว้ให้อยู่แผนการฝึกไว้ใ ห, ให้โดยที่เร า, เราก็นอกจากการที่เราจะต้องมาฝึกเจริญเมตตากราุณาฝึกการให้คาหล่านี้แต่พื้นฐานมันก็มาจากการที่เราจะต้องรู้ซะ ก, ก่อนว่าใจไม่ตาไป็นยังไงใจการุณาเป็นยังไง ใจที่คิดจะสะลายไปยังไงเราต้องเห็นใจของเราซะก่อนไม่งั้นสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดได้ลำบากโดยการที่เราจะเห็นใจของเราเองได้เราจะบริหารความสุขความทุกข์ใจของเราเราก็ต้องรู้จักใจของเราซะก่นอนโดยมากเราก็อาจจะคิดว่าเออเราก็อยู่กับเราตลอดเราก็ เ, าเห็นใจอยู่ตลอดมันก็ใช่อยู่ แต่เป็นการเห็นอย่างที่เป็นไปเพื่อไม่ได้สร้างเสริมศักยภาพในการต่อต้านความทุกข์ก็ออยังไม่ดีเพราะฉะนั้นพระพุทเจ้าก็จึงลแบบังแบบแบบแฝงไม่ให้ว่าเขาจะเห็นใจของเรายัางไงศักยภาพของใจที่จะต่อต้านความทุกข์นี่จึงจะเพิ่ขึ้นเพราะฉะนั้นท่านก็จึงวังแบบแฝงไม่ให้ว่าเราท่านั้นย่ามาเริ่มต้นที่สติ ก, กันเลยไหม เรามองฝึกสติก่อนให้เรารู้รู้เท่าทางจิตใจของเราซสียก่รู้ว่าใจของเราเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงแบบไหนมันชอบอะไรไม่ชอบอะไรและมันเห็นว่าสิ่งไหนทุกสิ่งไหนกิเแล้วเทียบเคียงกับที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสไว้ว่าอะไรเป็นทุกอะไรเป็นเหตุเกิดทุกแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่ง เป็นเป็ตงที่ท่านได้สแสดงเอาไวไ้ว่าอันนี้คือทุกข์ใจเราก็ยินดียินดีเข้าใจคุณครสอนจริงๆว่ามันเป็นทุกข์จริงๆ ท, งที่พระพุทธเจ้าได้สแสดงไว้ยตัวอย่างอย่างกันที่พระพุทธจเจ้าตรัสไปว่าความพั้กพลาดความพั้พลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์แน่นอนแต่เรา เราก็พยายามจะผูกใจของเราไว้กับสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคนรักก็ดีไม่ว่าจะเป็นผูกไว้กับข้าวของก็ดีไม่ว่าจะเป็นผูกไว้กับเพื่อนฝูง่าพี่น้องพ่อแม่ธรรมชาติของกิเลีมันก็จะให้เราผูกเอาไว้ยึดเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ไม่เข้าทาน ในเท่าทันใจเราก็จะไม่รู้หรอกเราก็จะมีสมมติมีค่านิ้โยนว่ากกันที่เรามีความรักมีความผูกพันในพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือข้าวของของเราเป็นสิ่งดีนั้นมันเป็นสิ่งที่เรามีความรักความผูกพันกันเราก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลาเรามีความเศร้าความเหงาก็มีคนหลังที่แหละที่คอยปลอบ่ยนอย่างจิตใจให้ซึ่งตรงนีจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีนะ แต่แต่เขาเรียกว่ามันดีในเื้องต้นและอาจจะดีในคั้กลางแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีในที่สุดสุดปลายทางดีในเื้องต้นดีในคั้กลางแต่ไม่ได้ดีในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ามันดีไม่สุดทางแบบนี้สิ่งที่เราควรจะต้อง ปฏิบัติกับมันก็คือเราต้องคอยใช้อย่างประมัดระวังความรักความผูกพันถามว่าไม่ใช้เลยดีไหมไม่ดีแต่ในเมื่อเขาพุทธาตัดไปแล้วว่าความรักความผูกพันเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีความขัดข้าจากสิ่งที่รักแน่นอนไม่มีใครไม่มีใครที่จะหลีกเลียงสิ่งเหลนี้ไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คอยระมัดระวังที่จะใช้มันเราจะโดน ตรงนี้แหอยมายั่งยี จ, งจิตใจจิตใจเราจะโดยทุกอันนี้ยั่งยี่แน่นอนยิน่งรักมากมยิ่งยั่งยี่มากเราก็ทุกมากไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสติคอยเตือนใจเราเรื่อยๆว่าสักวันนึ่งมันก็ต้องพัฒนาเป็นของธรรมดานะคอยเตือนอยิ่เบ่อยๆไม่ใช่ว่า มันคลาดไปแล้วเราจึงจะคําคำมากคาสั่งสอนอะไรนั้นมาใช้เขาเรียกว่ามันไม่ทัน <c oughs> เปรียบเหมือนนักมวยนักมวยนะเกือทหารก็เหมือนกันนักมวยก็ดีนักรบ เ, เวลาเขาเจอรบกันเนี่ยโดยดีๆเขารบเลยก็ได้เขาต้องฝึกฝึกซ้อมอยู่ใน ฐานที่มันฝึกซ้อนในร่มฝึกฝึกซ้อนในค่ายคู่ประตูหองร่มฝึกแล้วฝึกแลาวฝึกแล้วฝึกแล้วฝึกทุกว่าทุกวันตอนมันไม่มีข้าศึกศัตรูจริงเขาก็ต้องฝึกเหมือนฝึกทุกวันทุกวันทุกวันแต่พอไปถึงจุดหนึ่งจุดที่มันเกิดศึกสงครามขึ้นมาเขาจึงจะเอาที่ฝึกที่ซ้อน ไปใช้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ฝึกไม่ได้ซ้อมเลยเนยเวลาขา้าศึกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพพอที่จะไปสู้ขา้าศึกได้อันนี้ฉันได้การที่เราไม่ได้ซ้อมไม่ได้ห ม, มั่นําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจตัวเองอยู่บ่อยๆ อ, อยู่เงื่อนๆแน่นอนว่าศักยภาพของใจของเราก็จะ มันเลยพิ่งขึ้นแล้วพอไปเจอทุกตัวใหญ่ๆแน่นอนเราสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวเพราะเราไม่เคยสอนเราเราไม่มีสัรรภาพพอที่จะไปสู้กับทุกตัวใหญ่ใเราได้ได้ยินได้ฟังแต่ไม่เคยฝึกฝนเพราะนั้นมันก็เหมือนคนที่รู้เนี่ยรู้อะไรรู้ดีดรู้ทุกอย่างว่าดีแต่ไม่เคยฝึกไม่เคยออกกําลังกายสุขภาพก็ไม่แข็งแรง ถ้าเรารู้ว่าเอาความร่างกายแรกแล้วเราก็ไปเอาความร่างกายสิ่งที่มันจะตามมาคือว่าสเภาพร่างกายของเราเมันพร้อมที่จะทํากานอะไรก็ได้จะไปแข่งกีฬาวก็ไดนะ้หรือเวลาที่จะต้องเอาไปฝึกหรือว่าแม้แต่กระทั่งจะต้องไปรบจริงๆร่างกายมันก็พร้อมที่จะทํางาน น, นนั้น เชงนบางคนก็อาจจะมีอะไรทําทไมเราพัดพลาดแล้วเราเจอกับความพักพลาแล้วเราสู้ ไ, ได้ธรรมะ ก, ก็ไม่เห็นจะดีตรงไหนดูแล้วก็ไม่ใช้ได้อย่างดีมันมีประสิทธิภาพนี้นก็เลยอยากจะเตือนทุกท่านให้ฟังว่าธรรมะมันดีนะมันดีแต่ถ้าเราไม่หมั่นฝึกไม่หมั่นใช้ไม่หมั่นทําให้มันเป็นสมบัติของเรา เป็นสมบัติได้น้อยแล้วก็ทําให้มันเป็นสมบัติที่มันมั่นคงในใจของเรามันมันไม่ได้มันไม่มีมันมันเราจะต้องจ่ายเงินแสนนนัแต่เรามีแค่นั้นเงินพันอยู่ในกระเป๋าทําไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องตรียเงินมันนไว้ในกระเป๋าก่อนส่วนจะจนั้นพันจ่ายเงินหมื่นไวจ่ายเงินแสนเนี่ยเราจึงจะพร้อมที่จะจะจ่ายตรงนั้นธรรมะก็เหมือนกัน เวลาที่มันมีความทุกขน้อยๆเรามีตังค์น้อยๆมันก็พอสู้ได้แต่ถ้ามันตัวใหญ่มันเกินความสามารถของเรามันก็สู้ไม่ไหวทุกขมันก็ย่ำดีใจเราแน่นอนก็อยากจะโยกกระเจงตุว่าเราต้องนํารราะไปปฏิบัติให้มันเป็นคุณสมบัติในใจของเราด้วยในคุณสมบัติที่เป็นอัตโนมัติในใจ ของเราไม่ใช่ว่ามันมันใช้ไม่ข้่องเวลาเราจะสู้ไปมันนวยเนียมันจะมารอจังหวะมันไม่ไม่ไม่รออรับแต่ท่านเราก็ต้องฝึกให้ใจเราสู้ได้อย่างเป็นกำลมือนกันซึ่งก็จะย้อนกลับมาตรงที่ว่าเราควต้องฝึกฝึกจากที่เรามีสติก่อนเลยที่จะรู้เข้าธรรมใจว่าใจของเราเนี่ย มันอยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายที่ทำให้เรามีความยึดมั่นถึงมั่นมีความมีความกำลังมากขึ้นไหมมีความยืนถือมากขึ้นไหมอะไรหรือว่าใจของเรามันอยู่ฝั่งที่ทำให้เป็นไม่มีความกำลังไม่มีมีความหนายม่ีความคล้ายกำลัง มีความรู้พรอ้อมมีความรู้ยิ่มีความทำไม่เหลือนะหลังนี้ถ้าใจของเรามันเป็นไปเพื่อสิ่งหล่านี้ศักยภาพของใจเราจะเพิ่ขึ้นศักยภาพในการต่อต่างความทุกข์จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นบวกกันบวกกันกับสติที่เรามีนะสติที่มันมีที่มันดีมันจะต้องเป็นไปเพื่อ หนึ่งความไหนสองความใครกันหนึ่งสามความทุกข์ร้องความกรู้จักความตัดไม่ยลังนี้เป็นเปไม่ได้เพื่อสิ่หลังนี้เพราะฉะนั้นถ้าเธบอกว่าคนเราไม่มีสติเลยไม่ใช่แต่เรามีสติที่ไม่ได้เป็ี่นไปเพื่อสี่หลังนี้เพราะฉะนั้นเราจริงต้องมาฝึก ฝึกให้สต so e <g> ิของเราเนี <splash> ่ยเป็นไปเพื่อสิ่งที่ว่ามาเมื่อกี้เป็นไปเพื่อความหน่ายกลกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ที่ผู้พร้อมกันแต่ด้วยความทำไป่ดีแบบนี้แล้วสุอยางไงถึงจะได้สิ่งหลังนี้ตามมาพระพุทธเจ้าก็นเสนอเอาไว้ว่ายดอนกลับเข้ามาใหให้ได้สิกบอก สติมาตั้งมั่นลงในสี่อย่างนะในกายก็ดีในเวทนาก็ดีในจิตในธรรมสี่งอย่างนี้มันเป็นที่เล่นไปแหงสติของเราสติของเราจะเป็นไปเพื่อความหนาะเป็นไปเพื่อความใคร่กำลังเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งรู้มากเพื่อเพิ่มความตั้งใจอยนะ่างใดทีนี้ มันมีตั้งกายเวทนาจิตมันก็จะดูแบบเยอะๆขึ้ไปนิดหนึ่งก็ร้อยย้อนกลับไปตรง้ว่าอะไรที่มันง่ายๆและมันได้ผลดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามันนึงดูว่าอะไรนี่มันจะแบบไม่ต้องดูขั้นเกากน่ะอยู่กับเราตลอดคอยเป็นเครื่องฝึกที่เราได้อยู่ตลอดตลอดมันก็มีคือกายเราเนี่ยง่าย เห็นได้ด้วยตาสัมผัสได้ด้วยดวยกายเราเองะฉะนั้นถ้าเราลองใจของเราเนี่ยมองอวัยวะกายของเราเรื่อยๆคอยฉีกกายของเราอยู่เรื่อยๆเห็นว่ากายนี้เป็นส่วนต่างหากที่มันไม่ใช่เราซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เราเห็นแต่ว่าความไม่รู้มันกดปังเอาไว้ว่ากายนี้ มีความรู้สึกว่างกายนี้คือเราเพรามฟังไม่รู้มนันหลบหลังไรไว้ใจเราก็จึงรู้สึกว่างกายนี้คือเราแต่คนที่เขาฝึกฝนฝึกหันปฏิบัตินี้แล้วความรู้สึกในใจของเขาก็จะเปลี่ยนไปมีความรู้เกิดขึ้นอยู่ในใจที่ว่างกายนี้ก็ศักดแต่ว่ากายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราเทียงแท้ตอนนี้มันเป็นของเราแต่มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราทิ้งแท้สักวันหนึ่งมันก็แตกสลายหายไปคุยง่ายคือมันก็จะมาคอยแก้ความรู้สึกในใจเราโดยความรู้สึกที่เรารู้สึกทําไมเรารู้สึกว่าที่เป็นกายเราไม่เป็นตัวเรามันไม่ดีหรอมันก็ ถามว่าดีไหมมันก็ดีในดับโลภแต่ถ้าถามว่าเอาดีสุทานเอาดีแบบไม่ต้องมีความทุกข์มันเจ็บปวดดีความรู้สึกแบบนี้ยังไม่ดีแล้วดียังไงมันจะดีสุทธาก็าดีตามอย่างที่มันเป็นเข้าใจนแบบที่มันเป็นเพราะว่าสภาพมันมันไม่ใช่เป็นเราเป็นของของเราได้อย่างที่แท้แน่นอนตลอดไปแต่ความเป็นจริงของมันคือ มันเป็นของเราเป็นเราอยู่แค่ช่วขนาะบางเวลาตางที่มันกำหนดของมันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปฝืนว่าเรารู้อะไรใหม่ๆเราแค่กลับมารู้ให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงในแบบที่มันเป็นแค่เรารู้ในแบบที่มันเป็นเราก็จะทุกหน้อยลง รูในแบบที่มันเป็นสัพยาภาพของใจเราก็จะเปิดขึ้นความทุกข์ที่มันมีก็จะโดนลดถอนไปเพราเราเข้าใจเข้าใจที่ทางความคิดด้วยทางสมองด้วยแล้วก็เข้าใจลงไปในความรู้สึกในใจด้วยทั้งสองทางการที่เราจะแก้ทุกข์เนี่ยมันต้องลงไปถึงใจเข้าใจที่การบอกสอนอย่างเดียวยังไม่ได้ แต่มันต้องลงไปในความรู้สึกในใจเราว่าใจเรามันรู้สึกจริงๆแต่ใครๆมาบอกมาสอนบอกว่าโอ๊ยนี่คนมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนที่แค้หรอกเราฟังแล้วก็พิจราลาการไปออวันหนึ่งเราไ็เห็นอยู่สุดท้ายก็ไปจบที่มีเข้าเต่เาเผาเหลือแต่กระดูกที่ขี้เท่าใครๆก็เห็นอย่างนั้นใครๆก็รู้จักความจริงอันนั้น แต่มันความจริงเหล่านั้นเนี่ยมันตนกักเอาไว้ที่สมองของเรามันยังไม่ได้ซึ้งลงไปในใจของเราว่าเออสักวันหนึ่งเราก็ไปอยู่บนเงินเหมนกันกายเป็นเท่าเป็นถานถาอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแล้วไอชีวิตของเรานวันนี้เนี่ยจริงๆคืออะไรสาระแก่งสารมันคืออะไรมันมีจริงอย่างที่เรากาลังรู้สึกเนอย่างจริงหรือี้เรา เนทองทีง่เราคิดว่ามันเป็นเนสารแกนสารเพื่อนฝูงที่เราสึกสึกว่าเอออันนี้รักใครยินดีเรา่อใจที่เราใช้เงินแต่พอเราไปอยู่บนเม่นปุ๊บสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้ต่างเราไปเลยเราก็ต้องก่อตไปทิงหมันก็เหมือนอะไรมันก็เหมือนโลงละครอันหนึงที่หมดเวลาหมดเวลาปิดโรงละครละครนี้เขากํา ล, ลังเนี่ยมัน ก็ไม่ได้มีส า, าระอันนี้เราก็เหมือ น, นอโรงละครโรงใหญ่แต่เรามีความสาคัญให้ค่าให้ส า, าระในโรงละครนั้นดูแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าอยากจะให้เห็นก็คือให้เราเห็นมันตามความเป็นจริงเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกมันก็ไม่ได้มีส า, าระอย่างที่ที่เราคิดไว้ ที่เราบ่อยบอกกันว่าเอออันนี้มันดีมันเป็นสาระอันนี้มันจะต้องเก็บเอาไว้เย็ดเอาไว้นนสุดท้ายคือความเป็ น, นจริงมันไม่ได้มีสาระอยากทิ้งแทนจริงๆแต่มันจะเป็นสาระอยู่ในแค่โรงราครโรงนี้เท่านั้นซึ่งถ้าใจเราเข้าใจว่าอย่างที่มันเป็นแน่นอนว่าบางอย่างเราได้บางอย่างเราเสีย แต่มันไม่ได้เสียทีใจของเราเพราะอะไรก็ในเมื่อมันเป็นของไม่มีสาระอย่างที่แท้เราก็ทุกน้อยหน่อยใช่ไหมอย่างเช่นเงินในกระเป๋าเราหายเราก็ไปเดินเป็นรอนมาอาจจะสักพัน 1, เงินสองพันแล้วว่าก็เสียดายแต่มอเป็นเงินในกระเป๋ากนอื่แสงเงนั้นเงินหายไปตัวเงินมันต่างกันนั่นเดินแต่เราไม่รู้สึกอะไร ก็ในแบบกระตุ้นไปจนจิตใจของเราจริงๆมันปวดถ้ามันมีสาระจริงม <t> ันปวดไปต้องกระตุ้นใจเราด้วยเพราะมันก็เป็นเงินอย่างแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรกับใจของเราถึงแม้ว่าไปถึงจุดหนึ่งมันเป็นของเราจริงแต่ถ้าเรามอสเห็นถึงความไม่เป็นแก่ยสารของมัน 1,200,001 ล้านอะไรเงี้ยเสียไปใช่ไหมเออมันก็ไม่ทุงข์มากมากนัก เราก็ทำใจได้กับคนที่ทําใจไม่ได้มันก็มีความเสียดายในสิ่งที่มันกู้กลับคืนกลับไม่ได้โดยเฉพาะความตายที่มันพร่าพาไปมันเป็นการกลับมไม่ได้แน่นอนอย่างไอของหายมันยันข้50ึกข้าศกลับมาได้บ้ากหรือกลับมาไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดความตายมันมาเยอะนี่ยมันเท้งแท้แน่นอน มันพลาดพาดแต่ขาดแบบทารวจนะแล้วถ้าเกิดทําใจไม่ได้โอ้มันก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดแต่คนตายเขาก็ไม่ได้บรรทุกเราล้วนะแต่คนเป็นนี่แหละทุกข์เพราะฉะนั้นอย่างไปตอนที่ทั่งศพเนี่ยพระในสวนไม่ได้สวดให้คนตายฟังนะสวดให้คนเป็นฟังจะพิจารณาว่าเป็นภาษาบาลีเราแปลไม่ออกกันไห้ซึ่งมันจะเป็นคําสอนนั่นแหละว่า สอนให้เราเห็นถึงความเป็นจริงว่าสิ่งใดมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เราก็อย่าไปไปเอาอะไรจริงจังอัไรมันมาถ้าเราปล่อยวางเป็นมันไม่ก็มันก็ไม่ได้เกิดจิตใจเราแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้คือเราก็ต้องหมัสอนใจเราบ่อยๆไม่ใชสอนเฉพาะตอน เท่น่ะคือพอพระไม่ได้เทศนแล้วเนะี่กลับไปบ้านเนี่เรามีหน้าที่จะต้องสอนตัวเองนั่สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาสอนสอนเราอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆการที่เราได้นำคําสอนมาใข ค, ครัวนินิดนิดเจริาอยู่เรื่อยๆเ น, นี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเรากำลังขึ้นตัวเองอัตตาหินอัตโนนาโวเนี่ พึ่นตัวเองคือพึ้พงพระพุทธเจ้าเป็นกลยานมิตก็ถูกตอ้องพึ่งพระธรรมพึ่อพระสงฆ์ซึ่งเป็นกลยานมิตก็ถูกแต่สิ่งที่มันจะพึ่งได้อย่างรวดเร็วฉับไวก็คือพึ่งตัวเองเพราะเราอยู่กับเราเลยระเขาไมา่ได้ตามาไปได้ทุกคนตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่เราควรจะต้องนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองสอนตัวเองให้มันเป็นสมบัติของเราเองตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนกึ่ๆจะเป็นสมบัติของเราเหมือนเขาให้ตักเราแต่เ้าแค่ให้ยืนเฉยๆเขายังไม่ได้ให้ขับแต่ถ้าเกิดเขาให้ยืนแล้วเรอไปลงทุนมีกำไรแล้วก็เอาตังค์คืนเขาแล้วธุรกิจของเรามระเดินไปได้เรามีรายได้เรามีทงานนั่นเป็นสมบัติของเรา ธรรมะมันก็เหมือนกันเราได้ยินไดฟังแล้วมันก็เหมือนเรายืมเขามาใช้ก่อนฝึกบ่อยบ่อยฝึกบ่อยบ่อยจนมันเป็นคนุณสมบัตเป็นนิสัยใหม่ที่ใจของเราเราก็จะขึ้นชื่อว่าเรามีสมบัตอันนั้นธรรมะอ น, นั้นเป็นของเรายังไม่ได้มันไม่ใชเป็นของยิมใช้แล้วอันนี้เราสามารถที่จะผลิต พลัธรรมะที่จะเอามาไว้ต่อสู้ต่อต้านกับความทุกข์ที่มันจะมายักยั้งยัองยีงย่บใจกันก่อรู้ไปรู้มาเขาย้อมกลับมาอยี่ฝึกใจในขณะเขาฝึกสติกนะันแหละฝึกกเรื่องเก่ากับฝึกมีสติอยู่กับตัวเองคอยไิเจอรณาอยู่เรื่อ ย, เอยเอๆเน่าก ทำไมรู้จะอะไรก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความกลับไปเป็นธรรมดาก็คอยพิจารณาเรื่องนึ่งอย่างนี้มันไม่มีอะไรเท่นไม่มีอะไรเป็นเกจสารเ ท, ท่นแท้แน่นอนถาวรมันมาแล้วมันก็ไปใช้มาก็มนหมดไปหมดไปแล้วหาใหม่ถ้าใช้ไปสุดท้ายตาย ต, ายตาย ไ, ปไปแล้วมันก็เอาไปไม่ได้เหตุว่าใช้สิ่งที่เรามีตอนนี้ ให้มันเกิดประโยชน์ในตอนนี้เกิดประโยชน์ในอนาคตและเกิดประโยชน์ในอนาคตของ อ, อนาคตของ อ, อนาคตไปเรื่อยพูดอย่างนี้หมายความว่าไงพูดอย่างนี้หมายความว่าถ้าต่างคติของพุทธแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีแค่บทชั้นนี้งบทชั่นหนี่งเรามีชั้นก่อนแล้วก็ชั้นก่อนแล้วก็ชั้นก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนไปอีกแล้วก็จะมีอนาคต อมีอนาคตอนาคตต่อีกชั้นนี้ชั้นหน้าชั้นหน้าหน้าหน้าหน้าติแต่ถ้าเกิดก็จะมีชั้นนี้และชั้นเดียวนะก็ะต้องทําให้เป็นกราาน้อาทัรสร้างจะได้นม่มาเกิดอีกแต่ถ้าเกิดใครทำได้มีหน่อยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงกระแสของพระเร้าก็จะเป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่า จำกัดเวลาที่หลงเหลือคนคนทั่วไปยังอะเรนีเดอันนี้ก็จะเหลือลิมิตอยู่แค่เจ็ดชาติเ็นอย่างมากใครได้คุณสมบัติของผู้ที่ถึงกระแสปนิ้ั่านแล้วพพชาติก็สัน้นสั้นลงไม่เกินเจ็ดชาติแต่้วใครฝึกได้อย่างดีจนล้าวางเหตุของความทุกข์ได้หมด เป็นผู้ที่ถึงสุขอย่างทแท้เป็นผู้ที่ถึงที่สุดแหทุกได้ผลพไยได้กนะ็คือเราได้กำจัดเชื้อคือความเกิดออกไปด้วยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่เกิดเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเราจะไม่เกิดอีกแต่เราปฏิบัติเพื่อเราจะไม่ทุกข์นะจา ก, การที่เราลงเทวของความทุกข์ได้หมดนะมันมีโปรโมชาติก็คือ เราได้เอาเชื้อของการเกิดออกไปเลยเราเอาเชื่อของความเกิดออกไปด้วยมันก็ม่มันขึ้เรามีเกิดมันก็ต้องมีอะไรมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีความโศกเศร้าที่ใดรำพันคับแคนคับแค้นตีอกชกหัวมีความพันธุอย่างได้สิ่ง น, นั้นแล้วก็เหมือนกก็เป็นตุกมเท่านี้ตามมา เพราะฉนนถ้าเราไม่เกิดสร้างสิ่งแบบนี้จะเป็นภารกิจที่เราอออกไปได้นุ่นไม่ใช่หมายถึงว่ามันเกิดเป็นนุ่นอย่างเดียวอะเราก็ไม่ได้เกิดอีกที่ไหนๆไม่ว่าจะเป็นสวรรค์เป็นรตวดาหรือว่เป็นเป็นพรหมก็ไม่เกิดเราไม่มีเชื่อถือที่แห่งการเกิดอีกเามันเกิดเพะพูดถึงความไม่เกิดเนี่ยคนสมัยก่อนอาจจะชอบ แต่นคนสมัยนี้อาจจะดูรู้สึกอาจจะไม่ชอบอาจจะดูน่านกลัวไปเลยสําหรับการบอกสอนัรรมะที่ว่าคุณปฏิบัติไปแล้วคุณก็ไม่ต้องมาเกิด อ, อีกอะไรเงี้ยฟังแล้วอาจจะดูน่านกลัวสําหรับบางคนบางคนก็ยังรู้สึกว่าโอ้ฉันก็ยังอยากเกิด อ, อีกนะมีความสุขดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายหลักของการปฏิบัติธรรมแต่เป้าหมายหลักของการปฏิบัติธรรมคือ เราปฏิบัติเพื่อที่เราจะลดทอนความทุกข์ไม่ใช่ลดทอนความทุกข์ในอนาคตแต่เราเลดทอนความทุกข์ในปัจจุบันของเราเนี่ยเรามีสกิลกยภาพที่เราจะลดทอนความทุกข์ในปัจจุบันของเราถ้าเราจะรอว่าเราจะมีความสุขอีกสิปียีปีหรือค่อยมีความสุขเนี่ยทานั้นมันจะยังไม่เจงพอที่จะ เอามาใช้แล้วมันลดอนความทุกข์ได้ณตรงนี้ณตอนนี้ซึ่งเวลาคนที่มีความสุขมันสุขณตอนนี้มันดีกว่าที่จะรอว่าเดี๋ยวสิวันยี่สิวันปีหนึ่งสิปีกีปีจะเมีความสุขอันนั้นมันยังมันยังสีนี้มันยังจับต้องไมได้แต่ถ้ามันมีความสุขทุกมันได้มีณปัจจุบันนะนั่นมันคือที่สุดที่เราที่ควรจะไมันจะถึง แล้วคจะต้องทําให้มันมีให้มันเติมได้ก็แค่คอยมีสติอยู่กับใจมีสติเห็นกายมีสติเห็นใจอยู่เรื่อยๆเป็นเนมืองเพราะโดยธรรมาชาติของใจแล้วเนี่ยมันออกไปออกไปทำตาออกไปทงหูออกไปทำความคิดของเราธรรมาชาติของมันเป็นอย่างนัง้นมันไม่เคยย้อนกลับมาดูตัวตัวเองวอง่าเฮ้ยอัน น, นี้ตัวเราและนี้คือ ผู้ดูดูแลไรดกายอันนีท้ทรมันไม่เคยเห็นสภาวะอย่างนันหมันดูแต่ของคนอื่นชอบที่จะดูของคนอื่นชอบที่จะฟังเสียงคนอื่นชอบที่จะคิดถึงคนอื่นแต่มันไม่ชอบที่จะมองดูตัวเองไม่ชอบที่จะฟังเสียงตัวเองมันก็ไม่ชอบที่จะคิดถึงตัวเองสภาพของใจเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็ย้อน ย้อนกระแสเพราะมันไปนั้นไปหาความทุกข์อยูเราก็ย้อนกระแสของใจให้มันย้อนกลับเข้ามาในภายในให้มันไม่เห็นตัวเราเห็นความคิดของเราเห็นความรู้สึกของเรามันจะได้เข้าใจตัวเราเองเพราะเราคิดอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อความสุขความทุกข์หรือเปล่าเรารู้สึกอย่างเนี้มันเป็นความรู้สึกที่เราควรจะยึดมันไว้หรือเปล่าความสุขหรืออารมณ์อย่านี้เราควรจะยึดไว้ไหม ยึดไว้แล้วมีโทษรือเปล่าเราจะได้เิดกระบวนการแบบนี้จากการที่เราย้อนย้อนกลับมองมองอยู่ตัวเราแต่การที่เราจะพ้นทุกข์แล้วเราไปดูไใจคนอื่นเ ป, ปไปได้เพราะ ต, ต้นตออยู่ตรงนี้ ต, นต้นตออยู่ที่นีอยู่ที่ใจถ้าเราไม่มองย้อนกลับมาที่ใจมันไม่ใช่เหตุไม่ใช่เหตุที่จะทําให้ความทุกข์มันลดลงมันไม่ใช่เหตุที่จะทําให้เราเข้าใจ ในทุกในเหตุเกิดทุกในความดับของทุกและครื่นเดินเนินในสิ่งความดนักไม่เลของทุกมันไม่สามารถทำให้เราเข้าใจสิ่งเหลนี้ได้มันก็ไม่ได้ทยายนะํายากนะเพอะไรก็ ม, มีกายอยู่แล้วมันมีใจอยู่แล้วใจที่เป็นของเราเราแค่มองมันบ่อยๆดูมันบ่อยๆสังเกตมันบ่อยๆยอ้อนความรู้สึก ย้อนสติย้อนความคิดของเราย้อนกลับมาดูตัวเราให้ได้โดยเห็นกายบางครั้งเราก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองอย่างว่ากายนี่คือเราแต่บางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเออตามคำสอนเนี่ยท่านว่ากายไม่ใช่เราเราก็รู้สึกขางรู้สึกอันนี้คือเราแต่เห็นกายอันนี้มันตั้งอยู่นั่งอยู่กำลังนั่งฟังอยู่แม้แต่จะสลับกันไปอนี้บางครั้งมันเห็นมันเป็นเราว่า ตางครั้งเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เราบ้างแต่ตอนที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เราณตอนนั้นเราเหมือนได้หยอดกระปุกตไว้หยอดกระปุกตไว้เจอหน่อยเจอน้อยความเห็นตัวนี้ความเห็นด้ทางที่มันจะทำให้เราเกิดความหน่ายใคร กำ น, นังเกิดความรู้อิ่มรูพร้อมเกิดความดับไม่หยุดยัึงค่คอยสักสมนนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าพริกนโ้วแล้วก็ได้เลย อ, อันนั้นมันสมัยเาเรียกว่าสมัยของผู้ที่เป็นอุคติกันอยู่ผู้ที่อรู้เร็วแต่สมัยนี้มันเป็นสมัยของในยักษ ในยาแปลว่าอะไรครับมาจากมีนอนหงษ์อะไรดีมีท่าในคํานำนำไปก็หมายว่าขอแนะนาได้ต้องฝึกสอนบ่อยบ่อยตนเทียนก็ต้องทาให้บ้างบาฝึกบ่อยทันบ่อยอยนี้เราอยู่ในยุคนี้เราไม่ใช่อยู่ในยุคแบบปกติตันอยู่ฟังสองสามคำแล้วทำอะไรยัไม่ใช่ยุคนั้นะ ซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบดูเนี่ยรูปนี้มันเป็นรุปที่สิ่งล่อหลอกทางท้งตาหัวใจหัวใจมันมากกว่าสมัยพุทธกาลเยอะถึงแม้ว่ามันจะง่ายต่อการสื่อสารธรรมะด้วยนะแต่โวยมากมันก็สื่อสารทางเใสมักกว่ามันง่ายฮะรับรัเข้ามาไดเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ รับของเสียปริมาณของเสียมันทับมากมากกว่าสมัยก่อนเยอะแต่ก็ไม่ใช่ขออ้างที่เราจะไม่ปฏิบัติธรรมคือการที่เรารับของเสียมากนะาเราก็ต้องยิ่งเพิ่มดีกรนความขยันความอดทนความอดสานะของเราในการที่เราจะเอาของเสียเหลานออกไปในการที่เราจะคอยดูแลจิตใจของเรานะให้จิตใจของเราได้ เสพแต่ส <lass> ิ่งที่เป็นอาหารใจที่ดีเศพอาหารใจที่ดีก็คือเสพอารมณ์ที่มันดีเสพอารมณ์ที่มันเป็นไปเพื่อความสงบระงบไม่ใช่เสพอารมณ์ที่มันเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านบังคับเป็นไปเพื่อความกำหนัดหลแต่การฟังธรรมนี่ก็เป็นการเสพอารมณ์ที่ดีอย่มันเป็นไปเพื่อทำให้เราสงบประงับจากตาหูสมูกเป็นกาย ในการเสพเป็นไปเพื่อทําให้เราจิตใจเราได้เข้าใจในความเป็นจริงไม่ใช่เสพเสพสื่อแล้วทําให้เรามีความเห็นที่มันติดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเพระนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารใจที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็คอยหวังเสพอาารใจนี้มันดีๆอย่างนี้เรื่อยๆเรายัางเลือกที่จะโอ้วันนี้เาจะไปกินอันนี้ วันนี้ เ, เราไปกินอันนี้ดีกว่าเอาวันนี้เรากินเยอะแล้ววันนี้วันนี้เราไปกินอาหารคลีนๆบ้างเพื่อสุขภาพเอาวันนี้เราไปออกกำลังกายเป็นต้นเราเย่าลเลือกกิจกรรมและอาหารดีๆให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกกิจกรรมแล้วก็อาหารดีๆให้กับจิตใจด้วยเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ร่างกายนียอย่างเดียวมันมีทั้งโลก ของร่างกายอันนี้แล้วก็โรคโรคทางด้านจิตใจสองอันนั้นเป็นพวกคู่กันคนเรามันจะมีความสุขที่เต็มบริบูรณ์แบบคนปกติสุขเนี่ยมันก็คือคนที่มีทั้งปัจจัยสีบริบูรณ์แล้วก็มีความรู้สึกในภายในที่บริบูรณ์มีความสุขในภายในที่มันบริบูบรณ์ด้วย แต่ถ้าเรามีความสุขแต่ภายนอกคือปัจจัย4ี่ที่บริบูรณ์ดเดียวแต่ความสุขในด้าจิตใจจะไม่มีจะมีความหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญเห็นอันนี้กับหงุมหมดหงิดอันนี้ก็ขัดเคืองอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องเลย่องราวนี้ชื่อว่าสุกกายแต่ทุกข์ใจนะในนั้นคนที่มันมีความสุขจริงๆคือสุกกายด้วยสุขใจด้วย การที่เราจะบริหารให้มันทั้งสุขกายและสุขใจครบคู่กันไปได้อย่างที่บอกไปแล้วเรื่องของใจมันก็ต้องมาบริหารที่จิตใจเจ้า ก, กายมาบริหารจิตใจมันทำได้ใ น, นทนัดนิ่งเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าเรื่องของใจเราต้องบริหารยังไงบริหา ร, ร้วยการที่เราจะต้องมีสติคควบคุ ม, คมอะไรดีต่ำใจเราเก็บไหมอะไรไม่ดีต่าใจเรา เราบอาไม่เสพมันเราเสียแต่อาหารดีๆของใจความธรรมะกม็เป็นอาหารดีของใจเราไปคุยคุยกับเพื่อนคุยเรื่องงานเรื่อง ก, การที่มันไม่ได้เป็นไปนเรื่องนินทางใครว่าใครเป็นใครมันก็ยังพอเป็นอาหารใจเลยบ้างแต่ถ้ามันดีที่สุดก็คือเป็นอาหารที่ทําให้ เรามีความเิ็ที่ถูกต้องเดินไปเพื่อที่จะไม่ยึดมันขึ้นมาเรานี้อันนี้มันเป็นอาหารเชิญลแต่อาหาที่มันมีที่น้อยก็อย่างที่เราเราคุยกันแล้วเราก็ไม่เิดนเป็นกันไม่ว่าคนนั้นในทางังนนี้อันนี้ก็เป็นอย่างน้อยก็ไม่ติดลบแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีลบมนะันมีลบอยู่เพราะว่าอย่างเช่นเราไปคุยเรื่อง โอ้ยทำเมื่อนี้ดีจังเลยนะเธอไปดูหรือยังมันต้องเป็นการกระตุ้นเใจเราว่าให้เราไปยึดติดในรูปเสิ่งตึกรสัมพันธ์ซึ่งถ้าเกิดเราแต่หมายใช้ว่าไม่คุยเลยนะหึือในโลกก็ต้องคุยบ้างแต่อย่างน้อยๆเราก็ต้องมาคอยย้งใจของเราวนะ่าใจเราเนี่ยคุยได้แต่เราไม่สมใจออกไปยินดี ในสิ่งที่เราได้ยินในเรื่องราวที่เราได้เรารู้เพราะสิ่งเล่านั้นเป็นไปเพื่อความยิดมั่นทิกมั่นในรูปรถเป็่เสียงสัมผัสเอาฉะนั้นเราก็ยังใจเอาไว้เเราก็รักษาจิตใจเอาไว้จากการที่เรามีสิ่งมีสติรู้ว่าสิ่งนี้เราไม่ควรเสพสิ่งนี้เราควรเก็บไว้สิ่งนี้เราไม่ควรเก็บไว้ต่อ ซึ่งอันนี้ทุกท่านก็คงจะได้ฟังและสมควรแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะยิ้มท้ายก็คือการที่เวลาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราชอบที่จะใช้คําว่ามาฝึกสมาธิใช่ไนหะมวันนี้เรามานั่งสมาธิกรรวันนี้เราฝึกสมาธิอะไรจบจบหรือยอย่างอะไรเนี่ยซึ่งอยากจะเชียร์ให้ดีนิดหนึ่งว่า เวลาที่เราฝึกเนี่ยเราเราฝึกสติอย่างที่เรามาบริกรรมพุทโธพอดีหรืออะไรเงี้ยเราเรียกว่าเรามาฝึกสติโดยวิธีพุทธาณสติใช่ไหมจากสมมติเราฝึกสติด้วยการดูลงหายใจเราเรียกว่าอนามันตสติมีสติตามระลึกลงหายใจเข้าลงหายใจออกก็คือฝึกสติให้สติอยู่กับลม อีกองสติอยู่กับพุทโธเพราะฉะนั้นฝึกสติแต่เวลาที่สติของเราเนี่ยมันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวนะหรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะมันก็มันอยู่กับเรื่องอะไรมันก็ไปกินอารมณ์อะ้รเนี่มันอยู่กับลมหายใจมันก็กินอารมณ์หายใจอารมณ์หายใจมันก็เป็นอารมณ์กลางๆแบบนี้ไม่ได้มีโกรธไม่นด้ีเปลี่ยน แบบนี้เป็นอารมณ์กลางๆสบาย ๆ, ายๆพอเราอยู่กัลมหายใจได้อยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะอเนี่ยอารมณ์ในใจเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์กลาง ๆ, ๆตั้งมัง่ลงได้อย่างที่เรื่อยๆนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสลาที่ที่มันจะเป็นบทรอยดา้าของการที่เราฝึกสติเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกให้มันมีสัมมาสติอย่างดี ผลพอยได้ของสงมาสติก็คือสมาสมาธิที่เราจะได้ไปด้วยคือความสงบประนับจากนิวร์หาแล้วก็มีอารมณ์ที่ตั้งมัน่นเป็นเึ่กไม่หวั่นไหวก็ อ, อยากจะชีจจ้แจงตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่ใช่ฝึกที่นี่ที่เดียวเราฝึกได้ทุกที่ที่เรามีลมหายใจ ทุกๆขณะที่เราเลืนถึงพุทโธมันะเป็นการฝึกสติของเราเพราะฉะนั้นเราฝึกได้ทุกๆขณะของเราตามความขยันตามความมุ่งมั่นตามความภาคเคียรของเราขอให้เรามีใจใจที่เราจะทํามันทําบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปกรังวลว่าอะรจนมาดูว่าเราปฏิบัติทําล้าไม่มีใครดูเพราะเรานึก่อนถใจเราเลือทไม่มีใครดูแน่นอนเขาจะมบอกว่า ปฏิบัติธรรมเราเป็นคนกรูโบร า, ราอะไรก็ไม่ต้องไปแก่อะไระเราเราปฏิบัติเพื่อนที่เราจะลดออกความทุกข์ในใจของเรามันเป็นเรื่องดีทําได้ก็ตุกขนะขนาดฟังเพลงขนาดเล่นฟังเพลงไปแล้วจะไปกินข้าวไปทําอะไรเราก็พุยู่ได้ตลอดหรือว่าเราจะดูลมหายใจให้ตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ อากกระเสริฐไปนี้ก็คือว่าเวลาที่เราดูลดนหาใจหรืเราบริกรรมพุทโธูก็พยายามเห็นกายเห็นใจไปด้วยมันก็จะได้เข้าเกะเข้ากันไ ป, ไปนอกจากที่เราจะได้อารมณ์ทั้งมันแล้วเราก็ได้เห็นกายส่วนหนึ่งใจเราส่วนหนึ่งแยงต่างหากจากกันถ้าเราทําอย่างนี้ได้บ่อยๆแน่ น, นอนว่าไอ้ความเห็นที่มันเห็นว่านี่เป็นเรา นี่เป็นของของเรานี่เป็นกายเราอันนี้คือเรามันจะค่อยๆโดนขัดออกไปทีละน้อยโดนขัดออกไ ป, ออกไปถ้ามันโดนขัดจนถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสังญาณทิฏฐิอยู่ในใจก็จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้ที่ถึงกระแสแห่งพลังขานานอันั้นวันนี้ก็สมควรเกเวลา กี่บาท